ตอนที่หไม่ลืมสาธยายไปให้ถึงมงคลที่สูงสุดปากสวดมนต์ใจคนต้องไปถึงสาธยายสาธยายเป็นแกนสารของการสวดมนต์ได้บอกเราแต่ต้นว่าการสวดมนต์นั้นตัวแท้ตัวจริงแกนแกนสาระของมันก็คือการสาธยายและมนต์ที่เราเอาคำของพระมาใช้แบบเทียบเคียง หรือลอคําพูดของเขานั้นเราหมายถึงพุทธพจน์คือคําตรัสสอนแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์จึงมุ่งให้เป็นการสาธยายพุทธพจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นเนื้อความในพระไตรปิฎกในยุคหลังพุทธกาลนานมาได้รวมเอาบทสวดที่พระเทะพระอาจารย์ในสมัยต่อๆมาแต่งขึ้นใหม่เพิ่มเข้าไปด้วย แต่บทสวดที่เพิ่มเข้าไปเหล่านั้นโดยปกติจะเป็นจำพวกคำอวยชัยให้พรหรืออนุโมทนาหรือไม่ก็เป็นคำสรรเสริญคุณพระรัตนไตรที่ว่าสาทยายก็คือมีสติจำได้ระลึกนึกถึงจับยกนำเอาข้อมูลความรู้ในที่นี้คือพุทธพจน์ขึ้นมาระบุบอกบ่งชี้จัดเรียงเข้าที่ตรงตามลำดับอย่างถูกต้องครบถ้วน อาจจะเป็นการท่องการทวนหรือการทานก็ได้สติจึงเป็นตัวทำงานของการสาธยายเมื่อสติจับจําเอาข้อมูลข้อธรรมนำมาเสนอต่อหน้าต่อ ต, อตาอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะพิจารณาพินิจพิจัยสอบสวนฟันเฟ้ น, ฟนตรวจตราให้รู้เข้าใจเรื่องนั้นธรรมนั้นจนถึงขั้นที่มองเห็นว่าจะนาไปใช้แก้ไขปัญหา หรือทําประโยชน์อะไรอย่างไรต่อไปจะเห็นว่าการสัตยายนี้ดําเนินไปด้วยการทํางานของสติโดยมีปัญญามาสืบสารให้การปฏิบัติธรรมดําเนินไปจึงมีการทํางานของธรรมะสาคัญสองอย่างคือสติและปัญญาเรียกชื่อให้เข้ากับลักษณะการทํางานในที่นี้ว่าธรรมะวิจัยซึ่งเป็นธรรมะองค์นําในโพชฌงเจ็ด คือองค์แห่งการตรัสรู้ทำให้การสาธยายเป็นการปฏิบัติธรรมตามที่ว่านี้จะเห็นว่าสาธยายนี่แหละเป็นเนื้อในเป็นตัวแท้ตัวจริงของการสวดมนต์ส่วนการสวดเป็นแค่ลักษณะอาการในการเปล่งเสียงโดยมุ่งเน้นในแง่ที่ว่าจะเปล่งเสียงออกมาให้เป็นทํานองอย่างไรทำอย่างไรจะให้เสียงไพเราะสนอหน้าฟัง นี่คือเหมือนว่าการสวดเป็นเปลือกสวยงามห่อหุ้มการสาธยายไว้อีกชั้นหนึ่งทีนี้ถ้าใจมัวมุ่งไปที่การเปล่งเสียงจะเอาทำนองและเสียงไพเราะเข้าว่าไปไปมาๆมาก็เลยไม่มีสติที่จะนึกถึงการสาธยายมีแต่การสวดมนต์ที่ไม่มีสาธยายสวยดไปเรื่อยแต่ไม่นึกไม่รู้ว่าบทสวดถ้อยคำที่ตัวสวดนั้นบอกอะไรเป็นเรื่องอะไร ท่านสอนอะไรไว้ยิ่งถ้าเป็นสวดมนต์หมูก็พากันชื่นชมเพลินใจไปเรื่อยๆกับซุ้มเสียงจังหวะทำนองจนบางทีเคลิบเคลิ้มกลายเป็นเหมือนเอาการสวดมนต์มากล่อมเลยหลับไปบ้างหลับๆตื่นๆบ้างการสวดมนต์ที่ทำให้มีใจชื่นชมสงบสบายเพลินไปกับการสวดนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้าง โดยช่วยให้จิตใจพ้นออกมาจากอารมณ์ร้ายอันเป็นค่าสึกเช่นเรื่องที่กังวลกลุ้มเครียดวุ่นวายใจต่างๆให้ใจนั้นย้ายมาจับอยู่กับการสวดมนต์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไร้โทษรวมทั้งช่วยเตรียมจิตนำการเจริญสมาธิและช่วยให้นอนหลับได้แต่ความดีที่ว่านั้นเป็นคุณค่าข้างเคียงเป็นประโยชน์ปลอยได้ที่ไม่จริงจังยั่งยืน ข้อสำคัญคือเสียหลักซึ่งเป็นหลักการใหญ่พื้นฐานว่าทุกคนพึงเป็นอยู่อย่างมีสติท่านให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาโดยมีปัญญาที่จะดูแลปกครองตัวเองให้ก้าวดาเนินไปให้ดีได้เราจึงต้องฝึกตัวอยู่เสมอให้มีสติอย่างนั้นยิ่งในกรณีนี้เป็นการสาธยายซึ่งเป็นการใช้สติอย่างเด่นชัด พงวงโดยปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งที่สาธยายมองเห็นทางที่จะใช้จะปฏิบัติคือการที่จะก้าวออกสู่ปฏิบัติการให้มีผลเป็นประโยชน์สมจริงเป็นการก้าวหน้าไปในการปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าสวมดมนต์กันแล้วกลายเป็นอยู่กับความเพลิดเพลินเคลิ้เคลิคล้มก็กลายเป็นการอยู่อย่างขาดสติกลายเป็นชีวิตแห่งความประมาทนี่แหละดังที่ว่าแล้ว จึงยอมได้แค่ให้เป็นช่วงพักช่วงขั้นเมื่อจิตได้ย้ายเปลี่ยนอารมณ์พ้นเรื่องร้ายเรื่องวุ่นวายมาพอสงบได้แล้วก็ต้องเดินหน้าตามหลักต่อไปโดยมีสติใช้ปัญญาที่จะออกสู่ปฏิบัติการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมในความเป็นจริงของชีวิตต่อไปสวดมนต์ที่ดี ขึ้นมาเป็นวิธีแสดงธรรมในเรื่องการสวดมดนต์นี้ได้เล่าไว้ข้างต้นแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้ขับร้องด้วยเสียงร้องเพลงอย่างชาวบ้านคือกีตะสระซึ่งมีการเอื้อนยาวยืดยาวขึ้นลงวูบวาบถ้าไม่อักขระผิดเพี้ยนเสียหายและมีโทษหลายอย่างแต่ทรงอนุญาตสารพันญะ ซึ่งเราแปลกันว่าทรงอนุ ญ, ญาตให้สวดสารพัญญะสารพัญญะแปลตามสั์ว่าการกล่าวธรรมะด้วยเสียงสเรณธรรมังพันนังแต่เสียงในที่นี้หมายถึงเสียงที่ตั้งใจบรรจงเปล่งออกมาอย่างเป็นทํานองสนอเรื่นไพเราะเราจึงเรียกว่าสวดท่านกำชับว่าการใช้เสียงที่ดีกล่าวธรรมะ คือสารพัน ญ, ญานี้เป็นการกล่าวเรียงบทให้ชัดคำชัดความทุกบทพยัญชนะไม่ตกหล่นขาดหายและไม่คละกันถ้อยคำรับต่อทอดกันไปอย่างกลมกลืนไม่ทำให้อักขระผิดพลาดคลาดเคลื่อนว่าตรงลงตัวไม่คลุมเครือให้คำสวดครบถ้วนชัดเจนถูกต้องครบสมบูรณ์กลมกล่อมไพเราะแต่ไม่มีวิการคืออาการผิดแปลก หรือไม่เหมาะสมดำรงสมณสารูปพาให้ชวนฟังชวนจำพร้อมทั้งโน้มนำจิตใจให้สงบสดชื่นเกิดมีปิติทำไมท่านจึงกำชับในเรื่องความถูกต้องแม่นยำชัดเจนก็เพราะเนื้อตัวที่แท้ข้างในของสารพันยะก็คือการสาธยายนี่คือให้สารพันยะเป็นเปลือกงดงามมาห่อหุ้มเนื้อในอันแท้ที่ดีจริง เป็นอันว่าสรพัญญาเป็นวิธีสวดหรือวิธีกล่าวธรรมะอย่างเป็นทรรมนองไพเราะและท่านก็บอกไว้ด้วยว่าวิธีสวดสารพันยานั้นมี32ทํานองแต่ทํานองเหล่านั้นเวลานี้จะไปหาฟังที่ไหนได้ครบหรือแม้แต่สักระพีดังนั้นเมื่อรู้หลักที่ท่านกำชับไว้นั้นแล้วผู้ที่ถนัดก็อาจจะคิดสรรธรรนองสวดขึ้นมาใหม่ ให้สวดกันได้ดีตามหลักนั้นการสวดสรพันยะดีทั้งเปลือกและได้เนื้อที่แทอย่างนี้ท่านจึงนิยมให้ใช้สรพันยะนั้นในการแสดงธรรมซึ่งสมตามความหมายของสรพันยะที่ว่าการกล่าวธรรมะด้วยเสียงเอาเสียงสื่อธรรมคือใช้เสียงเป็นเครื่องกล่าวธรรมแสดงธรรมสอนธรรมตามที่ว่านี้ ท่านจึงจัดการสวดสรพันญะนี้เป็นวิธีแสดงธรรมอย่างหนึ่งเช่นที่เคยยกมาให้ดูข้างต้นแล้วในชุดสี่คือปะทภานะธรรมะกถาสรพัน ญ, ญะและปัญหาวิสัชนาทําให้เรามีทางเลือกในการแสดงธรรมเรียนธรรมสอนธรรมเช่นแทนที่จะกล่าวบรรยายอธิบายธรรมด้วยถ้อยคําที่เรียกว่าธรรมะกถาก็สวดสรพัน ญ, ญะเอา เสียงที่ตั้งใจเปล่งออกไปอย่างประนีตบรรจงด้วยจิตเมตตาและเคารพธรรมอันชัดเจนเรียบรื่นกลมกลืนสม่ำเสมอเป็นทํานองไพเราะนุ่มนวลชวนฟังมาเป็นสื่อเพื่อนำธรรมะที่มีอยู่เป็นหลักที่ร้อยเรียงไว้ดีแล้วเป็นคาถาพระสูตรเป็นต้นออกไปให้ถึงใจของผู้สดับามิใช่แค่นั้นทางเลือกอยังมีอีกเช่นที่ลอยฟังเมื่อกี้ ที่ว่าเมื่อจะฟังจะเรียนธรรมะเรื่องใดก็นิมนต์พระสารพานขึ้นมาสวดสารพันยะกล่าวคถาพระสูตรพุทธพจน์ที่เป็นบทตั้งนําไว้เสร็จแล้วก็นิมนต์พระธรรมะกะถึกขึ้นมาบรรยายอธิบายคถาพระสูตรพุทธพจน์ที่เป็นบทตั้งนั้นที่เรียกว่าสารพานธรรมะกะถาบอกเล่ามายืดยาวก็มาลงที่จุดย้ําว่า ถ้าเราสวดมนต์กันและเห็นแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างก็อย่าลืมสวดให้ถูกทางที่จะเป็นการสาธยายคำสอนของพระองค์เมื่อให้เป็นการสาธยายก็ต้องมีสติระลึกนึกได้ว่าตรงที่เราสวดอยู่เนี่ยพระองค์ตรัสเรื่องอะไรตรัสว่าอย่างไรแล้วก็สารวจรวจดูตัวเองไปด้วยว่าเรารู้เข้าใจได้ปฏิบัติธรมที่พระองค์ตรัสนี้หรือเปล่า ปฏิบัติธรรมด้วยสาธยายก้าวไปในวิถีของปัญญารักลโยมสวดมนต์กันบ่อยสวดกันเป็นประจำสวดกันเป็นกิจวัตรเลยทีเดียวถ้าสวดมนต์ถูกต้องตามหลักที่ว่ามาคือมีการสาทยายเป็นเนื้อในก็จะได้ปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่เป็นประจำไม่ว่างเว้นแล้วก็จะมีความเจริญงอกงามในธรรมกันอย่างจริงจัง เราก็จะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความเจริญแพร่หลายแห่งประโยชน์สุขของประชาชนยั่งยืนยาวที่ว่าการสาธยายเป็นการปฏิบัติธรรมสาคัญนั้นก็อย่างที่พูดมาย้ำแล้วย้ำอีกว่าพอเริ่มสาธยายก็คือสติมาทำงานการสาธยายจึงเป็นการฝึกสติเจริญสติและฝึกความจาด้วย และที่สติทางานก็คือเอาข้อมูลมานำเสนอต่อปัญญาที่จะได้วิจัยนี่คือธรรมะองค์นำทั้งสองของโพชงเจ็ดและองค์อีกห้าก็มาเข้ากระบวนรวมทั้งสมาธิด้วยคือวิริยะปีติปัสสติสมาธิอุเบคาเมื่อองค์ทั้งเจ็ดพร้อมดีก็สามฤทิโพธิคือบรรลุมรรคผล พระพุทธเจ้าตรัสเรียกการสัตยายธรรมอย่างถูกต้องได้ผลว่าเป็นวิมุตตายตนะแหลงวิมุตคือเหตุแห่งวิมุตแหลงที่สามดังความว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมทําการสัทยายธรรมตามที่ได้สดับตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะในธรรมะนั้น เมื่อเธอเข้าใจอัฏฐะเข้าใจธรรมะก็เกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วก็เกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายก็ผ่อนคลายสงบเธอมีกายผ่อนคลายสงบแล้วก็ได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็มั่นแน่วเป็นสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เป็นวิมุตตายตนะแหลงวิมุตตอย่างที่สาม ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นก็หลุดพ้นอสาาวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปหรือว่าเธอก็จะบรรลุโยค ะ, ะเกษมอันสูงสุดคือนิพพานที่ยังไม่ได้บรรลุพระมหาสาวกที่เผยแผ่ธรรมสั่งสอนประชาชนทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญแพร่หลายมั่นคง และดำรงพระศาสนาให้ยืนยงอยู่ได้จนถึงพระที่เป็นหลักในการดำรงอยู่ของสังฆะคือส่วนรวมและผู้บริหารหมู่คณะทั่ ว, วไปมีและควรมีคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นพระหูสูตรดังที่พระอานน์เป็นเอตทัทคะในบรรดาพระพระหูสูตรและผู้ที่เป็นพระหูสูตรทั่ ว, วไปก็เป็นผู้มีทุนภายในอันทาให้พร้อมด้วยโอกาส ที่จะก้าวไปถึงจุดหมายแห่งการบรรลุธรรมผู้เป็นพระหูสูตรมีคุณสมบัติห้าอย่างคือ 1. พหุสุดตาได้สดับมาก 2. ทะทตาหรือฉบับอักษรพม่าเป็นทาตาทรงไว้แม่น 3. วจรสาปริจิตตา บอกกล่าวเล่าได้คล่องชัดเจน 4. บรรณาสานุเปกิตามองเห็นสว่างใจ 5. ้ิติยาสุปฏิวิทาใช้ปัญญาแทงทะลุได้ทั่วตลอดเหตุผลจนถึงความจริงข้อสมนั้นคือวจษสาปริจิตตาบอกกล่าวเล่าได้คล่องชัดเจนท่านอธิบายว่า ก็คือสาทยายนี่แหละเช่นมีบาลีว่าไ ว, วา้ว่าวจจะสาปริจิตตาติวาจายะสัชายิตาดังนั้นผู้เป็นพระหูสูตรจึงมีแหลงวิมุตติคือวิมุตตายตนะอย่างที่สามอยู่ในตัวที่ว่านี้ก็ตรงกับที่พระมหากัจัยนะบอกไว้ในคำพีเปตะโกปเทศว่าวจจะสาปริจิตตา บอกกล่าวเล่าได้คล่องจัดเจนนี้เป็นวิมุตตายตนะคือแหล่งวิมุตที่สองและที่สามที่พูดมามากมายนี้ให้เห็นแล้วว่าการสวดมนต์คืออะไรมีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรอยู่ตรงไหนในระบบและกระบวนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยมีแง่เน้นว่า อย่าเผลอใช้การสวดมนต์เป็นแค่เครื่องมือแก้ปัญหาจิตใจยอมให้เป็นที่ผ่อนพักใจให้ได้หลบพ้นทุกข์ภัยเพียงชั่วคราวเป็นช่วงต่อหรือเปลี่ยนผ่านแต่ถ้าเผลอติดเพลิดเพลินไปจะถลหลเลยลงไปกลายเป็นคนเฉื่อยชาจมอยู่ในความประมาทและขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่าเผลอใช้การสวดมนต์เป็นแค่เครื่องมือแก้ปัญหาจิตใจ แต่จะต้องเดินหน้าต่อไปในวิถีทางของปัญญาที่จะพาให้ถึงจุดหมายที่แท้ผู้ที่สวดมนต์ถูกต้องตามหลักการสัทยายเข้าในหลักที่จะเป็นพระหูสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีผลดีติดตัวไปเป็นอ น, นิสงในการเวลายาวไกลกล่าวคือธรรมะที่สดับต่อเนื่องมาและได้สาทยายจนคล่องทรงไวแม่นชัดเป็นอย่างกระแสพวัง แม้ว่าเมื่อถึงมรณาการตายไปโดยไม่มีสติแต่ในิพใหม่นั้นบทธรรมที่ได้สดับได้สาธยายคล่องแมนและได้พินิจไว้ก็จะจาชัดขึ้นมาแก่ตัวเขาถึงแม้จะมีเหตุเตือนให้ได้สตินั้นมาล่าช้าแต่เขาจะเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษคือฌานจนถึงนิพพานได้เร็วพลันฉับไว